ยังวนุ หัวใจเองต่อสูความจริงแล้วเองก็จะมาริงไม่สู้ หัวใจเองขอสูความจริงแล้วเองก็จะมาทิ้งไม่สู้ความจริง